อาเจริณพรยมเราอยากอุตสารอดมาเจอกันในเดือนนี้ได้อยางไม่เป็นหวัดเพราะเราสนใจมาศึกษาธรรมะกันธรรมะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขมีประโยชน์ได้เรียนธรรมะรู้จักวิธีดำรงชีวิตอยู่กับโลกอย่างมีความสุขทุกน้อยๆนะ ประโยชน์สูงสุดเลยก็จะพ้นโลกเหมอนพวกเราส่วนมากนะมันยังไม่ไม่อยากพ้นโลกโลกยังอริสอร่อยอยู่แล้วเราก็แค่ว่าเราอยู่กับโลกอย่ามีความสุขแล้วก็เตรียมความพร้อมของจิตใจไว้วันหนึ่งเมื่อจิตวิญญาณของเราพัฒนามากขึ้นไปแล้วกนะ็อาศัยธรรมะอันนี้แหละศีลนะ ส, สมาธิปัญญานี่แหละการเจริญสตินี่แหละ ห้ช่วยให้เราพ้นโลกไปเป็นลำดับลำดับเะงั้นธรรมนะน่าเรียนแล้วได้รับประโยชน์ได้รับความสุขพระพุทธเจ้าท่านถึงสัง่งว่าพระสาวกของท่านโดยเฉพาะพระอรหัน ร, รุ่นแรกๆท่านสัง่งบอกให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดเพื่อประโยชน์และความสุขของมห า, หาชนจานวนมาก ตอนนั้นถ้ามีพระอรหันต์ในสังกัดท่านนะยังไม่ถึงร้อยองค์ไม่ถึงร้อยองค์60สิบเจสิบองค์ไม่ถึงนะท่านก็ส่งให้แยกย้ายกันไปบอกว่าอย่าไปทางเดียวกันหลายๆองค์ให้แบ่งกันไปทํางานท่านให้แต่ละองค์ฉายเดี่ยวเพราะว่าภูมิจิตภูมิธรรมแต่ละองค์นั้นเต็มที่ละงั้นท่านประกาศชัดเจนเลยว่าธรรมะของท่านเนี่ย จะทให้คนทั้งหลายจำนวนมากได้รับประโยชน์และได้รับความสุขประโยชน์มีตั้งแต่ประโยชน์ธรรมดาอยู่กับโลกเนะี่ยจนประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่จะพ้นโลกความสุขก็มีตั้งแต่ความสุขอยู่ในโลกจนความสุขเหนือโลกขึ้นเป็นลำดับลาดับสิ่งที่ท่านไปประกาศนะีน่ว่างดงามนักหนาแล้วก็เป็นไปเพื่อคนจานวนมากดนะ้ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะ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 ถ้าไม่ยึดถือในกายในใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกก็ทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่ทำยังไงจะเกิดปัญญาจิตใจจะเกิดทัฒนาการขึ้นมาถึงขนาดนี้ได้ที่จะเห็นความจริงได้ว่าทั้งกายทั้งใจเป็นตัวทุกข์พวกเราเคยได้ยินไ้ยธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาสร้งางบังคับไม่ได้อบาบังคับไม่ได้แล้วปฏิบัติได้ยังไง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 บางคนก็ว่ามันเป็นอนัตตาก็ปล่อยมันไปตามยถ า, ากรรมได้ไหมปล่อยไปตามยถ า, ากรรมไม่ได้จิตมีธรรมชาติเหมือนน้ำไหลลงต่ำตลอดเวลานะจงใจปฏิบัติก็ไม่ได้อีกนะไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้อีกตกลงแล้วจะเอายังไงดีเราก็ฝึกมันวิธนะีฝึกมันนะก็ฝึกเป็นลาดับลาดับไปมันตรนี่ทีเหนียวมากก็รู้จักทาทานอย่างเงี้ยนะ มันช่างอาฆาตช่างแค้นที่เขามากก็รู้จักให้อภัยซะบ้างนะทีแรกก็ฝืนใจให้อภัยนะเพะให้อภัยได้ใจก็โล่งขึ้นมาใจมีความสุขเริ่มเห็นประโยชน์ละนะหรือจิตใจเราไม่เคยมีศีล น, นะหัดถือศีลซะบ้างนะถือศีลไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนเ่ีเราจะเห็นว่าถือศีลแล้วมีความสุขถือศีลแล้วได้รับประโยชน์นะไม่ใช่ถือศีลแล้วทุกทรมานนะี่ค่อยๆให้เขาเรียนรู้ไปนะ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 พอฝึกตรงนี้ชํานาญต่อไปพระจิตไหลไปคิดสติเกิดเองพอจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปสมาธิเกิดขึ้นเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมีทั้งสติมีทั้งสมาธิถ้ามีทั้งสติมีทั้งสมาธิในขณะใดนะขณะนั้นถ้าสติระลึกรู้ลงในสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่ใช่ตัวเราอยา่างพอใจเราตื่นขึ้นมาที่หลวงพ่อเรียกว่าใจมันตื่นใจมันตื่นนั้นคือมันมีทั้งสติมีทั้งสมาธิที่ถูกต้อง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 พระโพธิละใจเด็ดนั้นไปถามเนนว่าจะปฏิบัติยังไงเนนสอนง่ายๆเลยนะเนนชี้ให้ท่านดูจำปลวกอันนึงบอกมีจำปลวกเก่าอยู่อันนึงปลวกโคงไม่อยู่แล้วละ่ะจำปลวกอันนี้เป็นโพรงอยู่ข้างในมีเที่ยตัวหนึ่งเที่ยภาษาไทยนะไม่ใช่คําหยาบนะเที่ยวเฉยๆ เ, เป็นชื่อโหสัตว์ชนิดหนึ่งนะไม่ใช่คำหยาบมีเที่ยอาศัยอยู่ในจำปลวกเนี่ยแล้วมันเจาะรูเข้าออกได้หกลู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 อยู่ๆมีคนมาสะกิดเราเนี่ยสะกิดเราข้างหลังเรานึกว่าสาวสะกิดไมเราก็ดีใจดีใจให้รู้ว่าดีใจนะหันไปดูอ๋คนขอทานเป็นโลกเรื้อนมาสะกิด่ะจะขอสตังสยดสยองใช่ไหมขยะกขยแย่รู้ทันที่ใจใอะไรเกิดขึ้นนะมารู้ทันใจไหเนี่ยทวารใจนี่แหละตัวสำคัญเริ่มกรรมฐานเริ่มที่ทวารใจนี่เองนะ งั้นมีใจที่เป็นผู้รู้ใจที่เป็นผู้ตื่นใจที่เป็นผู้เบิกบานขึ้นมาคอยรู้เนื้อรู้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนะั้นเราไม่ห้ามการกระทบอารมณ์ให้เขากระทบไปตามธรรมชาติธรรมดาเพอเขากระทบแล้วนะความกระเพื่อมหวั่นไหวความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตมีสติรู้ทันใๆไปต่อไปมันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะีชั่วคราวหมดเลยทําไมต้องมารู้ที่จิตตามองเห็นรูปแล้วรู้ที่ตาได้ไหมรู้อย่างนั้นก็ได้แต่จิตจะไม่ทํางานต่อ นะอย่างบางคนพอตามองเห็นนะจะกําหนดอยู่ที่ตาเลยบางคนตรงที่ตาเนี่ยกําหนด i̇şte. ได้หลายแบบบางคนกําหนดรูปที่มองเห็นกนะําหนดะรูป hmm. พอตามองเห็นสมมติหลวง worry, พ่อมองเห็นนาฬิกานะกาหนดรูปดูลงไปนี่คือสีที่เป็นรูปทรงอย่างนี้กำหนดลงไปว่าไม่ใช่นาฬิกานี่เป็นสีอันนี้คิดเอาคิดเอาเป็นสมถะนะบางคนกําหนดอยู่ที่การกระทบ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 ท่านชี้ให้พระเนี่ยดูรถรถทรงรถของพระเจ้าแผ่นดินนะท่านบอกว่าภิสูจทั้งหลายเธอจงดูนะโลกเนี่ยโลกเนี่ยให้ดูโลกนะซึ่งมันวิจิตพิสดารงดงามเหมือนราชรถทรงของพระราชาท่านไม่ได้บอกว่าภิสูจทั้งหลายห้ามดูโลกนะท่านให้ดูนะให้ดูโลกแต่ว่าท่านบอกต่ออยว่าคนเข่าเนี่ยพากันติดอยู่ผู้รู้ไม่ติดออก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 เอาเวลาที่เหลือก่อนจะสลบเนี่ยมาเจริญสตินะนี่ฝึกอย่างนี้แล้วเวลามีชีวิตประจำวันก็พยายามดูของเราไปจะกินจะดืม่มจะทําจะพูดจะคิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคอยมีสติเรื่อยๆไปนะอาศัยการฝึกอย่างนี้พวกเราก็จะทํามรรคนิพพานให้เกิดขึ้นในชีวิตนี้ได้นะอาศัยปัญญานําอาศัยสตินําไปก่อนเพราะว่ามันจําเป็นที่ต้องทํานะนี่บอกโปรเฟสเซอร์ญี่ปุ่นไปหนะ้าว่าเราไมา่ควรเก่งนะ สังคมมันเปลี่ยนนะคนไม่มีทางเลือกอะ่ะอยางจะให้พวกเรานั่งสมาธิวันละสามชั่วโมงนั่งไม่ไหวอะ่ะนั่งเดี๋ยวก็หลับงั้นเรามีปัญญาอยู่แค่นี้แหละเรามีทรัพยากรอยู่เท่านี้แหละก็สู้เอานะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องทำสมาธิให้ได้ชานก่อนนะถึงจะเจริญสติได้กระทั่งสมัยพุท ธ, ธกาลเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเองอะ่ะในภิกษุห้0องค์นะมีได้วิชาสามหองคนะ์ได้อภิน ญ, ญาหกหกสบองค์ ได้อุปโตภาควิมุตต์นะได้ทั้งปัญญาทั้งสมาธิเนี่ยหกสิบองค์รวมแล้วเท่าไหร่ร้อยแปดสิบจากห้าร้อยนะที่เหลือเป็นพระสุขวิปัสสกานะพระสุขวิปัสสกาก็ฝึกอย่างที่พวกเราฝึกอยู่นี่แหละฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดานี่เองนั่นขนาดคนพุทธกาลนะชีวิตสงบร่มเย็นกว่าพวกเราเยอะเลยชีวิตพวกเราวิ่งเป็นหมาบ้าทั้งวันเลยเอาเวลาที่ไหนแบสงบนะงั้นเราเราทำได้เท่านี้หรอนะ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 เอาเท่านี้ก่อนอมีไหมวันนี้มีคนถามไหมรู้กติกายังที่วัดหลวงพ่อนะ่ะมีกติกาให้พูดแต่เรื่องของตัวเองนะเรื่องแต่การปฏิบัตินะเรื่องของตัวเองเรื่องช้างโลกโลกไม่ต้องพูดลรเสียเวลานะเอาแต่เรื่องการปฏิบัติจริงๆอะเรามาเรียนเพื่อจะเอาไปปฏิบัติให้ได้นะเพราะั้นเราถามเรื่องที่ว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อการปฏิบัติของเราจริงๆ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 ต้องถือศีลห้าทุกคนแนหะถ้าจะภาวนาต้องถือศีลห้าถ้าทําสมถานะศีลห้ายังไม่น่าไม่จำเป็นมากเท่ากับทํามิปั ส, สนาเพราะทำมิปั ส, สนานะเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าเลยกิเลสเราเนี่ยแต่เดิมเราข่มไว้กดไว้นะเวลาเราทำมิปั ส, สนาเราจะไม่กดไม่ขม่มเราจะปล่อยเมืมันขึ้นมาแม้เราต้องมีศีลไว้ก่อนแล้วก็มีสติตามรู้มันไปนะค่ะแล้วหนูอยากจะเรียนถามว่าอย่างหนูนี้ต้องพิจารณาจิตหรือกายะคะของคุณตอนนี้จิตมันติดนิ่ง ของคุณคอยรู้สึกหนะ้าร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าค่อยดูอย่างนี้น ะ, <ฮ>ะไม่ใช่ <ฮะ S 1> ไม่ใช่หายใจให้นิ่งน ะ, <ฮ>ะคอยดูไปร่างกายมันหายใจออกเนี่ยเดี๋ยวนึงร่างกายก็หายใจเข้าใจของเราเป็นแค่คนดูนะคอยฝึกใจเป็นแค่คนดูก่อนค่<ฮ>ะแล้วเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งอะไรมันจะเห็นของมันเอ ง, <ฮะ S 1> งเอง่ะค่ะอ่ะต่อไปข อ, ขอบคุณค่ะติดนิ่งนะ ต, ติดนิ่งไปติดเพง่ง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 นี่จะไปฝึกให้มันไม่คิดนะค่ะรู้สึกเปล่าจิตเดี๋ยวนี้กับตะกี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วจิตตอ น, นี้เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมใช่ค่ะเออนะเนี่ยใช้จิตธรรมดาอย่างนี้อย่าไปน้อมจิตให้ซึมนะให้จิตปกติอย่างนี้แหละแล้วก็่อยรู้สึกกายรู้สึกใจอ่ะต่อไปกลับนะมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวนะ<อ>คนแรกอะ่ะคนแรกหลงไปแล้วนะอะลูกเริ่มฝึกดูจิตดูกายมาประมาณสามเดือนกว่าแล้วซึ่ง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 ถ้าเราเป็นพวกโลภมากรักสุกรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยเพลิดเพลินพอใจในความสวยความงามของตัวเองของคนอื่นอะไรเงี้ยพวกนี้ต้องคอยดูกายนะแล้วก่อนจะดูกายต้องทำความสงบถ้าจะดูจิตดูเข้าไปเลยนะักวัสาการของพ่อครับคือผมเริ่มฟังสีดีแล้วก็เริ่มดูจิตตัวเองนีไม่ทราบว่าดูถูกหรือยงครับ ด, ไดูได้ดีแล้วีแต่ตอนนี้ไปกดเอาไว้ด อ, อกักห ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนเรารู้สึกตัวขึ้นมามันหลุดออกจากโลกของความฝันเป็นตอนนี้ฝันแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปคิดเะฉั้นใจไหลไปคิดเรารู้ใจไหลไปคิดเรารู้นะฝึกบ่อยๆใช่ได้กรรมมรดการครับพระอาจารย์ยอมมีอยู่คืนหนึ่งครับนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาปุ๊บจิตมันนิ่งมันอะไรนะจิตมันนิ่งครับพระอาจารย์พอนิ่งหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยคือจิตเราเนี่ย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 เอาน้อยๆไว้ก่อนนะแล้วพอมันภาวนาไปอย่างเราเดินจงกรมจิตมีความสุขอะไรเนี่ยฝึกไป ท, กทุกวันทุกวันที่หลังมันเพิ่มของมันเองอะา ก, ก, กาธรรมศาสตร์หลวงพ่อครับซึ่งเริ่มปฏิบัติะครับตอนพยายามดูดูกายแล้วก็ดูจิตตัวเองะครับพอตอนที่ดูกายอะครับก็ทั้งวันมันจะเผลอ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 ถ้ารู้ลมเนี่ยจิตมันดิ่งลึกเข้าไปหาลมมากเกินไปมารู้ร่างกายที่กระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนร่างกายพยักหน้าอะไรรู้สึกยังแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือเวลาดูจิตนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถตั้งมือถือให้มันเตือนเราทุก5้านาทีสินาทีได้ไหมครับว่า ว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทําอะไรอยู่สติก็ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนเนี่ยมีเขาทํานาฬิกาขายปลุกทุกสองนาทีตอนนี้ก็ทิ้งไปหมดแล้วล่ะออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไบังคับให้มันเกิดเอออย่างนั้นก็ได้นะเบื้องต้นนะทําอย่างนั้นก็ได้แต่เบื้องปลายทําอย่างนั้นแล้วจะลาคัน ค, คือก็คิดว่าแรกๆเราอาจจะปลุกให้มันตื่นก่อนพอหลังจกเดี๋ยวเราก็คงรู้ตัวก่อนอที่มันจะปลุกเราความจรงิงเรามีนาฬิกาธรรมชาติอยู่ในตัวเรานะีอย่างเนี้ยเราเคลื่อนไหวยังเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกรู้สึกแต่ไม่เพ่งนะเพ่งอย่างนี้ไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ตัวแข็งๆพราะพุทธเจ้าท่านสอนให้เราใช้อารมณ์ รูปนำมากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตัวนะอย่างท่านสอนบอกหายใจเข้ า, าออรู้สึกตัวหายใจออกรูนะ้สึกตัวเนี่ยมันก็รู้สึกได้ทั้งวันลนะ้เพราะทั้งวันก็หายใจเข้าหายใจออก <im ps> ถ้ายืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวก็วรู้สึกตัวทั้งวันแนละ้วเปนะการเตือนตัวเองอาศัยร่างกายนี่เองแทนนาฬิกาปลุกนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตั้งใจไว้นะต่อไปนี้ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวจะรู้สึกตั้งใจไว้ก่อนนะเอาต่อไป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 รู้สึกตัวไปครับบางครั้งก็ไม่รู้มันก็หมัวมัวบ้างนะครับมัวก็ไม่เป็นไรนะมัวรัว่มัวก็ใช้ได้ครับถ้าหมัวเราไม่ชอบเนี่ยโทรศัตร์เกิดครับก็มีอะไรที่ฝึกใช้ได้นะครับใจของคุณมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วะครับรู้สึกไหมมันตื่นขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบแบบนี้ได้ตลอดได้การทําในรูปแบบนี้เป็นประโยชน์มากเลยถ้าเราต้องการมรรคนิพพานในชีวิตนี้นะเอาเร็วๆนะครับ แต่ถ้าต้องการแค่อยู่กับโลกธรรมดาก็ตามรู้ตามดูไปใจจะไม่ค่อยมีแรงมากครับเบื้องต้นตามรู้ตามดูก็พอได้นานานไปบางทีเฉื่อยเป็นการทำในรูปแบบมันจะทำให้ไม่เฉื่อยก็ก็เดินจมกรมอย่างนี้ไปได้ทุกวันดีนะดีขอบพระคุณครับใช้ได้นะคุณโมทนากลาบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ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 เมื่อหัดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเป็นแล้วเนี่ยต่อไปก็หัดรู้ด้วยความเป็นกลางเช่นมัวๆขึ้นมาเนี่ยใจไม่ชอบรู้ว่าใจไม่ชอบนะอย่างนี้หนุ่มตะเกียบดูแล้วบางทีก็เบลอๆไม่ชัดไม่ชัดก็รู้ไม่ชัดนะถ้าไม่ชัดแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะันรู้ตรงนี้เพั้นตอบทีแรกก็หัดรู้สภาวะที่กาลังปรากฏต่อไปก็รู้ทันจิตนะจิตจะยินดีจิตจะยินร้ายจิตจะเกิดอะไรขึ้น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 เมื่อมีโอกาสทุกวันนะคะแต่ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบอะคะ่ะแต่ก็รู้ตามรู้สภาพว่าตัวเองดูดูออกยังว่ากิเลสตัวไหนของเราเกิดบ่อยดูออกตัวไหนตับซแบบิโมโหอะคะ่ะใช่ถูกต้องใช้ได้ <laughs> <laughs> เห็นไหมเราเป็นคนขี้โมโหใช่ค่ะ <laughs> มันพร้อมจะหงุดหงิด ต, ตลอดเวลาเลยนะงั้นดูง่ายนะเพราะโทสะเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดดีดูไป สังเกตไหมจิตมีสองแบบเดี๋ยวจิตโมโหเดี๋ยวจิตก็ไม่โมโหเดี๋ยวก็โมโหอีกเดี๋ยวก็ไม่โมโหเวลาที่เราหัดดูจิตดูใจนะเราจะดูเป็นคู่คู่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธนี่หนึ่งคู่จิตโลภกับจิตไม่โลภนี่คู่หนึ่งจิตหลงไปกับจิตรู้สึกตัวอีกคู่หนึ่งนะนี่เราเคยดูเป็นคู่คู่ไปทํำไมต้องดูทีละคู่เพื่อเราจะได้เห็นว่ามันพลิกไปพลิกมาตลอดเวลามันแสดงไตรลักษณ์เห็นไหมจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธ เห็นไหมจิตเวลาจะโกรธก็โกรธได้เองเวลาจะรู้ตัวว่ามันโกรธนะมันก็รู้ขึ้นมาเองะเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจะเห็นว่ามันทํางานของมันได้เองเขาหลวงพ่อมีอะไรแนะนําแค่นี้ก็เยอะแล้วนะถ้ามากกว่านี้จะโมโหละขอบพระคุณครับขอบราชการหลวงพ่อครับขอโอกาสครับผมตามดูจิตตัวครับแล้วก็ บางครั้งรู้สึกว่าไม่มีกําลังนะครับแล้วก็ก็เลยนั่งสมาธิใช่ ไ, ได้แล้วคราวนี้ก็ปรากฏว่าพอนั่งสมาธิแล้วมันจะจะเพ่งมากครับ<อ>ก็จะเครียดๆก็ขอคําแนะนําด้วยครับนี่หเครียดรู้ว่าเครียดไม่อยากให้เครียดรู้ว่าไม่อยากอยากจะหายเครียดรู้ว่าอยากหายเครียดนะเวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งบังคับตัวเองลองเปลี่ยนวิธีนั่งดูนั่งรู้สึกตัวนั่งสมาธินั่งรู้สึกไปใจไหลไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้ แต่ไม่ใช่น้อมให้ลงไปนิ่งนิ่งนิ่งเข้าไปเรื่อยๆถ้าน้อมลงไปนิ่งนะมันจะเคยชินกับการเพ่งนั่งรู้สึกตัวเราตั้งเป้าใหม่นั่งเพื่อจะคอยรู้สึกตัวนะใช้อะไรเป็นวิหารทำดีครับหลวงพ่อก็ทําสมาธินะแล้วก็รู้ทันใจไปพอ<ะ>ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวคอยดูไปเรืนะ่อย<ม>เห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะแล้วเดี๋ยวมันก็เห็นจิตเองแหละ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 อ ย, อย่าไปกดจิตให้นิ่งนะกดจิตแรงไปดูให้สบายสบายให้เป็นธรรมชาติเลย เ, เราจัดการกับจิตเนี่ยเหมือนเด็กคนหนึ่งเราไม่บังคับเขาเราแค่ตามรู้เข้าไปแล้วนะควรจะที่ทำอยู่ใช้ได้นะถึงเวลาก็ไเป็นทำสมาธิไปเดินจงกรมหมดเวลาแล้วก็มารู้สึกตัวเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานดูอย่าบ่อยๆ มรสการหลวงพ่อคะ่ะดิฉันเพิ่งมาครั้งแรกนะคะ เ, เคยฝึกนั่งกรรมฐานแล้วก็จเจริญสติแต่ว่าทำอย่างไม่ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่งเริ่มมาฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้นะคะก็พยายามจะฝึกดูจิตตัวเองก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําว่าที่ฝึกมาเป็นยังไงบ้างมันก็เริ่มเพ่งน้อยลงน ะ, ะพยายามรู้สึกตัวแล้วก็ดูไปแต่เราก็ไม่ทิ้งของเดิมนะ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 <Okay. S 2> แต่ว่าพอมีสติแล้วเนี่ยจิตมันจะสติมันจะไปดูกายหรือมันจะไปดูจิตมันดูของมันเอง <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> เรียนตรงนี้จับหลักให้แม่นนะบางคนเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อจะสอนให้ดูจิต <Okay. S 2> นะแต่สุดท้ายมันจะเข้ามาที่จิต <Okay. S 2> นะโดยเฉพาะในขั้นสุดท้ายขั้นจะแตกหักข้ามพข้ามชาติจริงๆลงมาที่จิตเลย <Okay. S 2> นะแต่ขั้นก่อนหน้านั้นรู้กายได้รู้กายรู้จิตได้รู้ไปแล้วแต่สติมันจ ะ, ะระลึก <Okay. S 2> นะขอบคุณค่ะ นม้สการค่ะหลวงพ่อคือปฏิบัติมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่ปสี่เลยค่ะแล้วกเ็เคยเห็นกายไม่ใช่ของตัวเองแล้วทีนี้พอปตอนหลังๆเนี่ยเหมือนดูดีๆก็ดูจิตดังๆนี่นะคื อ, อปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กค่ะอแล้วก็ติดสมถะแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าวิปัสนาเป็นเนี่ยก็คือเมื่อเกปีที่แล้วพอวิปัสนาได้ก็เห็นกายไม่ใช่ของเราเออใช่ทีนี้ก็พอมาตอนหลังพยายามดูจิต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 แต่ว่าอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายให้ความรู้สึกเวิงว้างเนี่ยครอบงําจิตได้ให้มีสติรู้ทันว่ามันมีความรู้สึกชนิดนี้เกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ไปเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกเวิงว้างความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเนี่ยก็อยู่ชั่วคราวเช่นเดียวกับโลภโกรธหลงอื่นๆนั่นเองนะคุณดูอย่างนี้บ่อยๆนะตรงนี้เป็นทางผ่านเราเทำยังไงถึงจะเข้มแข็งได้ให้รู้ทันว่าความรู้สึกอันนี้ย้อมใจเราได้ ให้รู้เฉยๆอย่าไปต่อต้านกิเลสเหมือนกับสายน้ําในแม่น้ําเราปล่อยให้น้ํำใ น, ในแม่น้ำไหลไปเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปกั้ น, นเขนื่อนเกานะมีพลังงานมห า, าศาลเลยเพราะฉะนั้นจิตจะมีกิเลสขึ้นมาเราก็ปล่อยให้มันไหลไปเราแค่ดูนะเห็นกิเลสไหลไปใจเราเป็นคนดูเห็นกิเลสไหลไปแล้วใจเราเป็นคนดูไม่ไปต่อต้านของคุณตอนนี้ใจมันไปต่อต้านนะอย่าไปต่อต้านมันให้ยอมรับสภาพนะ เห็นความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกมาย้อมจิตเห็นความรู้สึกมันย้อมจิตนะถึงจุดหนึ่งนะความรู้สึกกับจิตเีจยพลาก่อเ ก, กี่ยวกันเช่นเดียวกับความโลภความโกรธความหลงอื่นๆนั่นเองของคุณพอนามมาได้ครึ่งหนึ่งอ่ะมิย์จะเจอตรงเนี้ยเป็นทุกคนเลยพระพุทธเจ้าเคยสอนนะเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายรู้สึกไหมเบือ่อเบื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าเบื่อชั่วรักดีเบือ่อ ทุกขลักสุขไม่ใช่เห็นไหมจิต ท, ที่เบื่อทุกสิ่งทุกอย่างนะโดยเท่าเทียมกันหมดเลยเนี่ยจิตมันมีปัญญาที่ชื่อว่านิพพิทายานนะมันมีปัญญามันเบื่อมันสะเอียเอียนไปหมดเลยแต่อย่าปล่อยให้ความรู้สึกอันนี้ครอบงำจิตได้ให้มีสติรู้ลงไปว่ามันครอบงำจิตดูตรงนี้นะดีอดทนไปมันต้องผ่านตรงนี้ก็คือว่าบางครั้งที่แบบมัน ก็คือเห็นเห็นเกิดดับอย่างนี้ตลอดค่ะทีนี้เราก็ต้องอยู่ในชีวิตประจําวันเวลาเราสะเทือนใจมากๆเนี่ยบัญทีมันก็แบบน้ําตาก็ไหลแล้วเราก็รู้สึกอายคนอื่นคือเราเห็นทั้งวันอย่างนี้แล้วเรารู้สึกแบบเรารู้สึกมันอธิบายความรู้สึกไม่ถูกน้ําตามันก็จะไหลออกมาแล้วมันเหมืกัแบบ อ, อายคนอื่นเขาเขารู้ทันไปนะจิตเกิดปีติขึ้นมารู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไง ร, รู้ไปก่อนอายรู้ว่าอายไปก่อนอีกไหนเขาก็ชินไปเองอะ ด้วยความที่ยังติดสมถะอยู่อะค่ะอะไรนะโดยความที่ว่ายังติดสมถะอยู่บางทีเวลาที่เรามองอะไรนานๆเช่นฟังหลวงพ่อเทศไม่กี่นาทีเนี่ยหลวงพ่อก็จะตัวเล็กลงเล็กลงแบบเหมือนกับเราดีสิหลวงพ่อก็อยากเล็กบ้างดูทีวีดูชีวีอยู่ดีๆตัวก็แบบถูกผลักออกมาอ่นะอันนั้นเป็นอาการของสมถะแล้วทํายังไงดีค่ะทวนตรงกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมา รู้สึกตัวขึ้นให้ชัดๆนะมันก็จะหลุดออกมาคือไม่ควรปล่อยให้มันดิ้งไปไม่ควรอย่างนั้นไม่ดีเลยจิตอ่อนแอทีนี้ด้วยความติดสมถามากก็เลยอยากจะขอวิธีจะเดินกระดุกกระดิกไหมไปหางานบ้านทำมีลูกมีหลานอะไรไหมมีลูกค่ะเออไปเลี้ยงเด็กแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวก็โมโหใช่ค่ะคนไหนติดสมถานะขี้โมโหมากกว่าคนทั่วไปให้ให้ใจเป็นกระเพื่อมกระเพื่อมไหม อย่างหลวงพ่อบอกว่าให้เดินจงกรมให้มีรูปแบบใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่เรานั่งนานๆเราก็ยังสิสำหรับคนที่ติดเพ่งเนี่ยน ะ, ะอย่าเพิ่งทำในรูปแบบนะให้คลายก่อนแล้วค่อยมาทำของคุณตอนนี้จุดสำคัญเลยก็คืออารมณ์เนี่ยมันย้อมจิตง่ายจิตเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่อนไหวนะอารมณ์ย้อมจิตง่ายจะใช้คำว่า s e n ซิทีฟเมื่อกี้เนี่ยต้องนึกคำแปลก่อน จิตมันอ่อนไหวแล้วก็รู้ทันเอานะคือรู้ไปเรื่อยรู้เรื่อยแต่ไปก็แข็งแรงขึ้นอย่าให้มันครอบงำจิตได้ขอบคุณค่ะหนูฟังซีดีได้ระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ฝึกตามที่หลวงพ่อสอนในซีดีก็คือตอนแรกที่ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขี้ระแวงใจตัวเองนะคะขี้ระแวงแล้วก็พอหลังๆนี่ก็คือรู้สึกว่า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 เนี่ยเรามาเรียนนะก็เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่ว่ามันทํางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกค่นะลูกสาวหนูฟังซีดีด้วยในรถแล้วก็บางทีเขาเขาพูดสภาวะอะไรมาแปลกๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยเขาได้หรือเปล่าพวกเขาจะไปจําสภาวะคนอื่นมาเป็นสภาวะตัวเองอะคะ่ะใจเขาออกนอกเยอะไปนะพยายามให้เขารู้สึกที่ตัวเองบ่อยๆกระตุน้นความรู้สึกให้มาอยู่ในร่างกายบ่อยๆ ปล่อยให้ใจมันไหลๆไปค่ะออกไปรู้ข้างนอกเยอะไป <All right. S 2> อย่าม า, มาอยู่ที่ร่างกายบ่อยๆต่อไปกับนรมาสการครับก็คราวที่แล้วหลวงพ่อบอกบอกให้ไปดูเดี๋ยวจิตมันก็รู้เดี๋ยวจิตมันก็หลงนะครับผล <c oughs> ตอนนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าโลกมันไร้สาระครับรู้สึกอะไรนะโลกไร้สาระครับแล้วก็มันน่าเกิโลกไร้สาระครั บ, รบอ๋อยังยังไม่ใช่ <c oughs> เป็นช่วงคราวน ะ, ะเดี๋ยวจะกลับมามีสาระอีก<ะ> <laughs> ตอนนี้เราเห็นนะมันยังดูน่าเบื่อน ะ, ะเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆ<ะ>นะยังไม่ถึงกระละจริงฝึกไปตามรู้ตามดูไปรู้สึกไหมใจเราเริ่มรู้สึกได้ได้ชำนาญขึ้น<ะ>รู้สึกได้เองได้บ่อยขึ้นนะฝึกไป<ะ>แต่ยังไม่ถึงขั้นนิพพิทาหรอก<ะ> <laughs> เพราะว่ามันยังเบื่ออนนี้เดี๋ยวมันจะไปชอบอนน้นลองดูสิ<ะ>ถ้ามีสาวสักคนนนะเราบอก วู้คุณนี่หล่อ่างเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่เบื่อนานหรอกครับแล้ที่เห็นที่เคยรู้สึกว่ากายมันไม่ใช่เรานี่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาแต่ใจใจที่มันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วเนี่ยเวลาสติระลึกเห็นร่างกายมันจะเห็นเลยไม่ใช่เราเนีแล้วใจใจนี่มันเหมือนกระคิดอะครับอะไรนะใจเนี่ยงเหมือนคิดอยู่อะครับใจใจไม่ใช่เราเนครับทำไมคิดอยู่อะครับ เหมือนว่าเราคิดเองยังคิดอยู่ยังมีคิดเจืออยู่ไปฝึกนะฝืนรู้สึกตัวบ่อยๆใจหลุดออกจากความคิดใจหลุดออกจากโลงของความคิดนั้นถ้ามันย้อนมาเห็นจิตนะสติระลึกถึงจิตนจะเห็นว่าไม่มีเราแต่มันต้องย้อนเองอ่ะแล้วเวลารู้สึกตัวนี่ผลวพ่อบอกว่าจะเป็นคัิกาสมาธิใช่ไหมครับ ไอ้ตัวนี้สามารถนำมาแทนสมถะได้ไหมครับใช้อะไรนะใช้แทนสมถะได้ไหมครับความสงบของกานิกใช้ไม่ค่อยได้นะแรงน้อยไปเราก็ต้องอาศัยการทําสมถะทําสมถะไม่เป็นนะไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้สมถะเหมือนกันหรือพุทโธไปเรื่อยๆก็เป็นสมถะครับผู้สนผลบุญที่เกิดการภาวนาก็ถวายเป็นอาญาญาบูชาได้สาธุชอบมากเลยบูชาด้วยการปฏิบัติอะ ค่ะนมัสการค่ ะ, อ, ะอยากจะกราบเรียมถามอสองข้อค่ะข้อแรกนะคะกําลังหัดเดินจงกรมนะคะแต่พอเริ่มเดินนะคะก็เริ่มอย่างเช่นเริ่มคิดถึงลูกเริ่มคิดถึงอะไรแบบนั้นนะคะก็<ห>ไม่ทราบว่าให้รู้ไปนะเดินจงกรมเนี่ยไม่ใช่เดินเพื่อให้สงบอย่างเดียวหรอกอเราเดินรู้ทันตัวเองไปเพราะฉนั้นเดินไปนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่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 อดทนต่อความอยากดีอยากบรรลุเร็วๆใครรู้ทันเข้าพอแล้วเนะนีก็ถึงสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านที่ศาลาลุงชินข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยษไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชว์ ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นการละนานเทิรนยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสากขรางเอวเมวัยโตดินนังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวัสมิฉชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติราโสยถาสัพีติโยวิวัชชนตูสัพพาร โ, โควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอาภิวาธนาสีเลสนิตจังวุทาปจายิโนจัตตาโรธรมมาวทันตีอายุวันโนสุขังพระลัง